สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสิจพิบานนะครับเช้า ว, วันนี้เป็นเช้า ว, วันจันทร์เราอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าหนึ่งพงกษัตรบ ท, ที่สิบข้อที่สจนถึงข้อยี่นะครับ1งพงกษัตรบ ท, ที่11ข้อที่4ถึงข้อ25โปรดฟังพระวจนะของพระเจ้าเมื่อซูลามอนทรงชราภาพหญิงเหล่านี้โน้มน้าวพระไทยให้ไปติดตามพระต่างๆ โซโลมอนไม่ได้จงรักภักดีต่อพระยาเวพระเจ้าของพระองค์อย่างสุดใจเหมือนดาวิดราชบิดาพระองค์ทรงหันไปติดตามพระอัชโทเรตเทวีของชาวไซดอนและพระโมเลกเทพเจ้าอันน่าชิงชังของชาวอัมโมนดังนั้นโซโลมอนทรงทําสิ่งที่ชั่วในสายพระเนตรขององค์พระบุญเจ้าและไม่ได้ทรงติดตามองค์พระเจ้าอย่างสุดใจเหมือนที่ดาวิดราชบิดาได้ทรงทํำ โซโลมอนถึงกับสร้างสถานบูชาบนที่สูงบนเนินเขาทางตะวันออกของเยรูซาเล็มอุทิศแด่เคโมอชเทพเจ้าอันน่าชิงชังของโมอับและสําหรับพระโมเลกเทพเจ้าอันน่าชิงชังของชาวอามอนพระองค์ทรงสร้างสถานบูชาบนที่สูงต่างๆขึ้นเพื่อให้มเหสีต่างชาติทั้งหลายเผาเครื่องหอมและถวายเครื่องบูชาแด่เทพเจ้าของพวกนางองค์ผู้เป็นเจ้าทรงพระพี่โรดโซโลมอน ที่หันเหพระไทยจากพระยาเวพระเจ้าฮิสรวเอลผู้ทรงปรากฏแก่โซลมอนถึงสองครั้งสองคราทั้งทั้งที่พระองค์ทรงห้ามโซลมอนไม่ให้ไปติดตามพระอื่นๆโซลมอนก็ยังทรงฝ่าฝืนพระบัญชาขององค์พระผู้เป็นเจ้าดังนั้นองค์พระผู้เป็นเจ้าจึงตรัสแกส่โซลมอนว่าเนื่องจากเจ้ามีท่าทีเช่นนี้และไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎหมายซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้ เราจะฉีกอาณาจักรของเจ้าอย่างแน่นอนที่สุดและแบ่งให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งของเจ้าแต่เพื่อเห็นแก่ดาวิดราชบิดาของเจ้าเราจะยังไม่ทำเช่นนั้นในชั่วชีวิตของเจ้าเราจะริบอาณาจักรจากบุตรชายของเจ้าแต่เราจะไม่ริบไปหมดทั้งอาณาจากักรเราจะเหลือชนเผ่าหนึ่งไว้ให้เพราะเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของเราและเยรูซาเล็มที่เราได้เลือกสรรไว้แล้ว องคุณเจ้าทรงกระทำให้ศัตรูคนหนึ่งแข็งเกล้าต่อโซโลมอนคือฮาดัดซึ่งเป็นเชื้อพระวง์ผู้หนึ่งของเอโดมก่อนหน้านี้เมื่อดาวิดรบกับเอโดมแม่ทัพโยอาบซึ่งขึ้นมาฝังศพผู้ตายในสงครามได้สังหารผู้ชายทั้งปวงในเอโดมโยอับและชนอิสราเอลทั้งปวงอยู่ที่นั่น6เดือนจนสังหารชายชาวเอโดมได้ทั้งหมดแต่ฮาดัด ซึ่งขณะนั้นยังเป็นเด็กพร้อมกับข้าราชการเอโดมบางคนที่รับใช้บิดาของเขาได้หนีไปอียิปต์พวกเขาพากันเล็ดลอดออกจากเมเดียนหนีไปยังปารานแล้วมีคนจากปารานมาสมทบติดตามกันไปถึงอียิปต์ฟาโรกษัตริย์แห่งอียิปต์ได้ประทานบ้านที่ดินและอาหารให้หาดัดฟาโรนั้นโปรดปานหาดัดมากจึงยกน้องสาวของมเหสีทาเพเนสให้เป็นภรยา นางได้ให้กำเนิดบุตรชายชื่อเกนูบัตซึ่งมเหสีทาเปเนสได้ชุบเลี้ยงให้เติบโตขึ้นในพระราชวังร่วมกับโอรสทั้งหลายของฟารโรเมื่อฮาดัดได้ข่าวว่าดาวิดและแม่ทัพโยอาบสิ้นชีพแล้วฮาดัดก็ทูลอนุ ญ, ญาตขออนุ ญ, ญาตฟารโรว่าขอให้ข้าพบาทได้กลับไปบ้านเมืองของข้าพบาทเถิดฟาโรตรัสถามว่าอยู่ที่นี่เจ้าขาดแคลนอะไรหรือถึงอยากกลับไปบ้านเมืองของเจ้าฮาดัดทูลว่า ข้าพบาทไม่ขาดสิ่งใดเลยแต่โปรดให้ค้าพบาทไปเถิดศัตรูอีกคนหนึ่งของโชรมอนซึ่งพระเจ้าทรงยกให้มีอำนาจขึ้นคือเรชโอนบุตรเอเรียดาซึ่งหนีมาจากอาดัดเฮเซอร์กษัตริย์แห่งโซบาผู้เป็นนายเมื่อดาวิด ท, ทำลายกองกำลังเมืองโสบาเรชโอนได้รวบรวมผู้คนและตั้งตนเป็นหัวหน้ากองโจรพากนนันหนีไปยังดามัสกัสที่ซึ่งเขาตั้งรกรากและยึดครองได้ตลอดพระชนชีพของโชรมอน ไรโซนคือศัตรูของอิสราเอลนอกเหนือจากความทุกข์ร้อนอันเนื่องมาจากฮาดด์ไรโซนปกครองอยู่ในอารำมและเป็นศัตรูต่ออิสราเอลพี่น้องครับความตกต่ำของกษัตสโลมอนก็ตั้งเข้ามาตั้งแต่ที่ซุลมอนนั้นได้รับมเหสีชาวต่างชาติเข้ามาจำนวนมากในบทที่11ข้อที่หนึ่งได้บอกว่า พระองค์ท่านหลงรักทิดาของฟาโรและรักหญิงต่างชาติจำนวนมากมาจากโมอับบ้างอัมโมนบ้างเอโดมบ้างไซดอนบ้างและฮิตไทบ้างผู้หญิงเหล่านี้มาจากชนชาติที่องค์พระิน์เจ้าได้ตัดห้ามตัดห้ามไม่เพียงแต่กษัตริย์โซโลมอนครับแต่ตัดห้าม รวมไปถึงประชาชนอิสราเอลทั้งหมดครับว่าอย่าแต่งงานกับคนเหล่านั้นเพราะว่าพวกเขาจะชักนําเจ้าให้หันไปฝักใฝ่พระต่างๆของเขาอย่างแน่นอนพระเจ้านั้นทรงสัพพันอยูทรงรู้ล่วงหน้าทรงรู้ว่าอิสราเอลผู้ชายชาวอิสราเอลนั้นก็อาจจะไปแต่งงานกับชาวต่างชาติผู้หญิงต่างชาติที่จะชักนําให้ครอบครัวอิสราเอลนั้นต้องหลงไปหลงไปจากการนมัส ก, การพระเจ้าพระเยวาว์วะผู้ ที่ยงแท้แต่พระองค์เดียวนั่นคือวิถีชีวิตที่พระเจ้าได้ดูแลครอบครัววิถีชีวิตที่พระเจ้าได้ดูแลเรื่องราวเกี่ยวกับการนมัสการพระเจ้าการตั้งแท่นบูชาของครอบครัวผู้หญิงเหล่านี้ได้น้มนาวพระไทยของโซโลมอนให้ไปติดตามพระต่างๆครับในที่สุดก็เป็นเช่นนั้นจริงโซโลมอนไม่ได้ทรงพักดีต่อพระเยวาว์พระเจ้าของ องค์ยังชุดใจเหมือนก่อนและไม่เหมือนดาวิดพระราชบิดาคําว่าไม่เหมือนดาวิดพระราชบิดานั้นหมายความว่าโซโลมอนนั้นแตกต่างจากบิดาครับก็คือดาวิดเพราะดาวิดนั้นแม้ว่าเขาจะทําบาปดาวิดนั้นแม้ว่าเขาจะผิดพลาดแต่ดาวิดนั้นหันหันกลับใจใหม่พี่น้องครับดาวิดไม่เคยที่จะไปกราบไหว้พระอื่น อันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากแต่ดาวิด ท, ทำบาปอย่างอื่นซึ่งนำไปสู่การกลับใจแต่การที่จะไปติดตามพระอื่นนั้นยากที่จะกลับใจเพราะอะไรครับเพราะว่าเวลาที่เขาติดตามพระอื่นนั้นมักจะมีแรงจูงใจแรงจูงใจในที่นี้ของกษัตริย์สมอนก็คือว่าเขาพยายามที่จะรักษาความมั่งคั่งของเขา อำนาจของเขาและรักษาบรรดาเหสีของเขาให้ได้อยู่เย็นเป็นสุขอยู่กันอย่างดีๆอย่าสร้างปัญหาและนี่แหละครับคือที่มาที่ไปของการประนีประนอมครับเมื่อประนีประนอมเพื่อรักษาสิ่งที่พระเจ้าสั่งไว้ว่าห้ามมีม้ามากมีเมียมากและก็ไม่ต้องมั่งคั่งมากพระเจ้าสั่งไว้แต่โซมอนพยายามจะรักษาด้วยกําลังของตัวเองจึงนํามาซึ่งการประนีประนอม นั่นคือท่าทีที่พมพีบอกว่าไม่ถูกต้องพยาเวจึงตรัสกับโซโลมอนในข้อ11บอครับบอกว่ า, วาเนื่องจากเจ้ามีท่าทีเช่นนี้และไม่ได้รักษาพันธสัญญาและกฎหมายซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้พี่น้องครับในที่นี้มีคำสองคำครับว่าพันธสัญญาซึ่งผมได้เคยแบ่งปันและอธิบายไปแล้วและคำว่ากฎหมายครับกฎหมายก็คือข้อห้ามนะครับพันธสัญญาก็คือเป็นสัญญาที่พึงปฏิบัติ พี่น้องครับพระเจ้าได้ให้ข้อห้ามมาว่าเจ้าจะต้องไม่ทําอย่างนี้อย่างนั้นในขณะเดียวกันครับเมื่อรักษากฎหมายซึ่งเป็นข้อห้ามจะต้องรักษาพันธสัญญาด้วยเมื่อรักษาพันธสัญญานั้นก็คือเราจะต้องกราบไหว้นมัสการพระเจ้าองค์เดียวนั่นคือพันธสัญญาของการรักษากฎเกณฑ์ของพระเจ้ารักษาพันธสัญญาของพระเจ้าพระเจ้าก็จะอวยพรครับแต่ในขณะนี้โซมอนได้เปลี่ยนไป เปลี่ยนไปจากเดิมเพราะว่าโซโลมอนนั้นไม่เหมือนกับโซโลมอนคนเก่าครับโซโลมอนคนเก่าที่อธิษฐานทูลขอพระเจ้าประทานสติปัญญาเพื่อจะ ด, ดูแลแผ่นดินบ้านเมืองที่พระเจ้ามอบหมายให้โซโลมอนมีสติปัญญาและมีความสามารถสูงมากมากกว่ากษัตริย์องค์ใดๆในประวัติศาสตร์อิสราเอลในขณะที่เป็นเช่นนี้โซโลมอนนั้น ได้รับผู้ผ่อนจากพระเจ้าเยอะแยะมากมายครับมีประสบการณ์กับพระเจ้าถึงสองครั้งสองคราพระเจ้ามาปรากฏกับเขาแต่ในที่สุดด้วยความประนีประนอมอยากจะได้คงไว้ซึ่งม้ามากเมียมากและความมั่งคั่งเหล่านี้โดยที่ไม่สนใจพระเจ้าโดยที่ไม่เอาพระเจ้ามาเป็นที่หนึ่งในที่สุดครับพระเจ้าก็ฉีกพันธสัญญาครับถามว่าใครฉีกพันธสัญญาก่อน คำตอบก็คือว่าโซโลมอนนั้นไม่ได้ปฏิบัติตามไม่ได้อยู่ในกฎเกณฑ์ไม่ได้รักษาธรรมัญญัติไม่ได้รักษาคําสั่งที่พระเจ้าให้ไว้และไม่ได้รักพระเจ้าสุดจิตสุดใจเหมือนดาวิดพี่น้องครับพร่อผีบอกว่าพระเจ้าจะฉีกอาณาจักรของโซโลมอนอย่างแน่นอนที่สุดโดยแบ่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาคนหนึ่งพี่น้องครับอาณาจักรโซโลมอนเป็นอาณาจักรที่มั่นคงมากครับ รวม12เผ่าเข้าไว้ด้วยกันแต่พระเจ้าจะฉีกครับฉีกให้กับผู้ใต้บังคมัญชาส่วนหนึ่งนะครับและเหลือไว้สําหรับพงพันธุ์ของดาวิดครับพระเจ้าไม่ได้เห็นแก่พงพันธุ์ของกษัตริย์โซโลมอนแต่เห็นแก่พงพันธุ์ของดาวิดนั่นหมายความว่าโซโลมอนนั้นถูกยกออกนะครับยกออกไปแล้วเป็นสิ่งน่าเสียดายเสียใจมากครับ พ, พิมพีก็ได้พูดต่อว่าเปิดตัวศัตรูของโชรมอนคนแรกก็คือฮาดัดเลขคนหนึ่งมีชื่อว่าเรโซนพี่น้องครับถ้าเราไปอ่านในพระวจนะพระเจ้าตอนนี้เราจะรู้ว่าฮาดัดนั้นเป็นเชื้อพระวง์ของคนเอโดมกษัตริย์ดาวิดได้ฆ่าคนเอโดมจนเกือบจะหมดแต่ว่ามีฮาดัดครับตอนนั้นเขายังเป็นเด็กอยู่เขารอด โดยคาราศการของเอโดมนั้นพาเขาหนีไปที่ปลายลานแล้วก็มีคนสมทบจากปลาลานแล้วไปถึงอียิปต์และปรากฏว่าฟาโรนั้นโปรดปานฮาดัดมากครับก็เลยยกน้องสาวของมเหสีคนหนึ่งให้เป็นภรรยาแล้วก็มีลูกและชุบเลี้ยงอยู่ในพระราชวังให้เติบโตขึ้นมาร่วมกับโอรสทั้งหลายของฟาโรก็แสดงว่าฮาดัดนั้นเป็นคนใกล้ชิดกับกษัตริย์ฟาโรอียิปต์มากเมื่อฮาดัด ได้ข่าวว่าดาวิดและเมทัพยโยอับตายแล้วฮาดัดก็ขอกลับไปบ้านเมืองก็คือเอโดมและเขาก็ไปครองบ้านเมืองแต่ว่าในขณะนั้นครับเอโดมในสมัยของหลังดาวิดคือโซโลมอนเอโดมก็มีเรียกว่าพันธสัญญาไมาตรีกันเพราะฉะนั้นฮาดัดก็อยู่ได้แต่เงี้ยก็ตามครับฮาดัดเป็นศัตรูกับโซโลมอนอย่างแน่นอนและในอีกคนหนึ่งครับก็คือเรโซนเรโซนนั้น ลูกของเอริยาดาหนีมาจากฮาดัดเอเซอร์กษัตริย์แห่งโซบาและเมื่อดาวิดทําลายกองกําลังของเมืองโซบาเรโซนก็รวบรวมผู้คนตั้งเป็นกองโจรครับหนีไปที่ดามัสกัสที่อยู่ทางเหนือของอิสราเอลแล้วก็ตั้งล็กลากยึดครองอยู่ตรงนั้นนะครับตลอดพระชนชีพของโซโลมอนเรโซนก็คือสัตว์ตัของอิสราเอลที่โซโลมอนนั้นก็เรียกว่าเป็นก้างขวางคออยู่ครับนั่นแหละครับคือการเปิดตัวของ ศัตรูสองคนในรัชสมัยของโซโลมอนซึ่งโซโลมอนอยังเอาไม่อยู่พี่น้องครับผมอยากจะแบ่งปันบทเรียนที่นี่ว่าผู้นำนั้นย่อมต้องมีศัตรูครับแต่ศัตรูนั้นจะมีอิทธิพลต่อผู้นานั้นหรือไม่อย่างไรนั้นขึ้นอยู่กับพระเจ้าครับแน่นอนครับคนที่เป็นผู้นำย่อมไม่มีคนชอบไปเสียทั้งหมด ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้นำเก่งขนาดไหนดีขนาดไหนนะครับย่อมไม่ถูกใจคนย่อมมีศัตรูพี่น้องครับการมีศัตรูนั้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่ศัตรูที่เติบโตขึ้นมาแล้วกลายเป็นกบฏนั้นก็ไม่แผ่นลาครับเพราะอะไรครับเพราะว่าเป็นไปได้ครับที่ผู้นำคนนั้นหลุดออกจากน้าพระทัยของพระเจ้าแล้วผู้นำคนนั้นไม่ได้เป็นผู้ที่พระเจ้า ได้สงเจิมให้กับประเทศนั้นอีกต่อไปแล้วดังเช่นโซโลมอนนั่นคือสิ่งที่น่าเสียดายเสียใจมากหากผู้นําหันเหไปจากทางของพระเจ้านั่นเป็นสิ่ีหน้าสังเวชครับน่าสมเพชมากทีเดียวขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราเองนั้นจะรักษาพันธสัญญาของพระเจ้าและรักษากฎเกณฑ์ของพระองค์กฎหมายของพระองค์ นมรั ก, กาาพระเจ้าองค์เดียวเชื่อฟังพระเจนะของพระเจ้าอาเมน